บทที่77พระผงวัดปากน้ำายุวัดปากน้ำครบ6เดือนพระเจริญก็ยังไม่ได้วิชาธรรมกายจึงเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายและท้อแท้ ที่ตั้งใจว่าจะจำพรรษาอยู่เสียที่วัดปากน้ำหากว่ายังเรียนไม่สำเร็จก็เลยมีอันต้องเลิมเลิกในที่สุดก็ตัดสินใจจะกลับไปจำพรรษาที่วัดพรหมบุรีออกพรรษาแล้วจึงค่อยมาเรียนใหม่ถึงตอนนั้นจิตใจคงปลอดโปร่งแจ่มใสกว่าตอนนี้หลวงพ่อครับพรุ่งนี้จะกลับสิงห์บุรีนะครับพระนมบอกหลวงพ่อสดขณะทาหน้าที่นวดให้ท่าน อ้าวก็ไหนเธอว่าจะจังพรรษาอยู่ที่วัดนี้ไงละ่ะแล้วทําไมถึงจะกลับหรือว่าเธอได้ธรรมกายแล้วท่านถามทั้งที่รู้ว่าคนเป็นสิทธิ์ยังไม่ได้สําเร็จวิชาธรรมกายแต่อย่างใดยังไม่ได้หรอกครับแต่ผมรู้สึกเบื่อๆยังไงชอบกนเอาไว้ออกพรรษาแล้วผมค่อยมาเรียนต่อนะครับตามใจเธอก็อแล้วกัน สงสัยคงคิดถึงโยมยายละสิท่านยาวเมื่อทําหน้าที่นวดให้ท่านพระนุ่มมักชวนคุยเรื่องโน้นเรื่องนี้โดยเฉพาะเรื่องมักกะลีผลยิ่งสมพานวัดปากน้ายืนยันว่ามักกะลีผลมีจริงก็ยิ่งทําให้พระนุ่มตั้งใจแน่วแน่ว่าจะต้องดันด้นไปพิสูจน์ที่ป่าหิมะพานให้จงได้ครับคิดถึงมาก คำตอบของลูกศิกษย์ทำให้อาจารย์นิ่งคิดอยู่ชั่วครู่และจึงพูดขึ้นว่าเราก็คล้องใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมเธอถึงยังไม่ได้ธรรมกายทั้งที่เธอก็สําเร็จฌานมาแล้วสงสัยจริงๆเชียวผมคงไม่มีวาสนาบารมีเหมือนหลวงพ่อกระมังครับไม่มีก็ต้องสร้างของอย่างนี้มันสร้างกันได้ ขอให้ตั้งใจจริงเท่านั้นพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าไม่ใช่หรือมโนปุพังคมาธรร ม, มามโนเสถฐามโนมยาทำทั้งหลายมีใจนำหน้ามีใจประเสริฐที่สุดสำเร็จแล้วแต่ใจถ้าใจสู้ซะอย่างก็เท่ากับสำเร็จไปครึ่งหนึ่งแล้วแม้จะยังไม่ทำ ภิกษุวัย66พูดให้กำลังใจแต่การจะทำอะไรก็ตามจะให้สำเร็จมันก็ต้องใช้เวลานะครับหลวงพ่อปลูกข้าวยังต้องรอให้มันออกรวงให้เมล็ดแก่จึงเก็บเกลียวได้เก็บเกี่ยวเสร็จแล้วก็ต้องนำมันนวดมาตำ ม, มาหุงจึงจะได้ข้าวสุกมารับประทานการปฏิบัติธรรมจะให้สำเร็จได้ก็ต้องใช้เวลาเหมือนกัน ดูอย่างหลวงพ่อยังใช้เวลาตั้ง2ี่สิปีแล้วผมเป็นลูกศิษย์ถ้าสำเร็จภายในหเดือนก็จะเกินหน้าเกินตาครูบาอาจารย์ผมไม่ต้องการเป็นศิษย์คิดล้างครูครับพระหนุ่มหาข้ออ้างนั่นเป็นข้ออ้างของเธอต่างหากเพราะเธอก็รู้ว่าความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นหรือเธอจะเถียง สมพานพูดอย่างรู้เท่าทันพระนุมได้แต่ยิ้มแย้แยแล้วแก้ตัวว่าผมคงจะพูดผิดไปขอโอกาสแก้ตัวใหม่นะครับคือผมกำลังจะพูดว่าผมไม่อยากเป็นอติชาติสิทธ์นะครับทำไมถึงไม่อยากเป็นล่ะอติชาติตบุตรก็ดีอติชาติสิทธ์ก็ดี หากมีในสังคมใดสังคมนั้นก็จเจริญถ้าเธอเป็นอธติชาติสิทธิ์ได้เราจะยินดีมากแต่ก็เอาเธอดูถาทางเธอเบื่อหน่ายยังไงจบกนเราจะไม่เศร้าซีแล้วอาจจะยังไม่ถึงเวลาของเธอก็ได้หลวงพ่อสดพูดแบบไม่ยึดติดถือมัน่นพระหนุ่มนิ่งและก็เหมือนนึกอะไรขึ้นได้ จินว่าเป็นไปได้ไหมครับหลวงพ่อว่าผมกำลังอยู่ในวัยเบญจเพศเลยต้องมีอันเป็นไปเช่นนี้เรียนอะไรก็เรียนไม่สําเร็จจิตใจว้าวุ่นสับสนนี่ถ้าเป็นขรือหัดอาจจะมีเรื่องมีราวถึงกับฆ่ารันฟันแทงกันก็ได้โบราณเขาว่าคนอายุเบญจเพศต้องระวังตัวดีไม่ดีอาจตายได้ เพราะว่าตกที่นั่งพระสุขเข้าพระเสาแทรกเราไม่เชื่อเรื่องอย่างนี้หรอกนะถ้าเธอเป็นศิษย์พระตราคตจริงก็ต้องไม่เอาชีวิตไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกพระพุทธองค์ไม่เคยตรัสสอนว่าดวงอาทิตย์หรือดวงดาวต่างๆจะมีอิทธิพลต่อชีวิตมนุษย์กรรมต่างหากหล่าวที่โดนบันดาลชีวิตสัตว์โลกให้เป็นไป กรรมก็คือการกระทำของมนุษย์เองพูดง่ายๆก็คือมนุษย์เป็นผู้ลิขิตตัวเองไม่ใช่ดวงอาทิตย์มาลิขิตเรื่องนี้พระพุทธองค์ตรัสไว้ชัดเจนเธอคงจำได้ยะทิสังวะปะเตพีชังตาทิสังละพะเตพลังกายานะการีกายานังปาป ก, การีจะปาปกกังแปลว่า บุคคลวานพืชเช่นใดย่อมได้รับผลเช่นนั้นทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วสมภารวัดปากน้ำเทศนาโปรดลูกศิษย์ก้นกุติขอพระคุณหลวงพ่อมากครับ ที่ได้เมตตาอบรมสั่งสอนผมถึงจะไม่ได้ธรรมกายแต่เวลาหกเดือนของการอยู่ที่นี่ทำให้ผมได้อะไรดีๆหลายอย่างจากหลวงพ่อที่ผมนำไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติผมตั้งปณิธานไว้ว่าจะทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนจะไม่ทำให้สมณเพศของผมต้องเป็นหมันดีเราอนุโมทนา เป็นนักบวชก็ต้องมีสมณะสัญญากํากับอยู่ตลอดเวลาคนเขาจะได้ไมติชิ้นนินทาว่าบวชเสียผ้าเหลืองสึกไปเปลืองผ่าลายแต่ผมคงไม่สึกหรอกครับหลวงพ่อเพราะในไหนก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะบวชไปจนตลอดชีวิตพระหนุ่มรีบบอกครั้นได้เวลาพักผ่อนของสมภารท่านจึงทวงถามขึ้นว่าหลวงพ่อบอกว่าจะให้พระผมผมสองกำมือ เอาไปฝากคนที่รู้จักหลวงพ่อผมจะขอเดี๋ยวนี้เลยได้ไหมครับได้สินั่นไงในบาทนั่นหยิบเอาไปสองกรรมัมพระหนุม่มเอามือล้วงลงไปในบาทหยิบพระขึ้นมาสองกรรมัมบังเอิญท่านเป็นคนมือใหญ่แถมนิ้วก็ยาวพระสองกรรมัมของท่านจึงมีปริมาณเท่ากับสี่กรัรมมือของคนปกติหลวงพ่อสด อดพูดไม่ได้ว่าเราพลาดไปหน่อยไม่น่าพลาดเลยอะไรครับพระเจริญถามก็เราน่าจะบอกเธอว่าที่ให้พระสองกำรร ม, มือนั่นน่ะหมายถึงกำรร ม, มือเราซึ่งเท่ากับหนึ่งกำรร ม, มือของเธอถ้าฉะนั้นหลวงพ่อพูดใหม่ก็ได้ครับว่าให้สี่กำรร ม, มือของหลวงพ่อ ซึ่งเท่ากับสองกำมือของผมคนเป็นสิทธิผู้แบบไม่ยอมเสียผลประโยชน์เอาเธอเอาเธอปูดไปก่็เท่านั้นกลับไปห้องนอนของเธอได้แล้วเราจะได้พักผ่อนพระเจริญกราบสมภารสามครั้งแล้วจึงเดินกลับห้องของท่านผ่านห้องเนนป้องเห็นกําลังนั่งภาวนาสัมมาอารหังก็นึกสนุก ไปหาเทียนมาจุดนำไปลนคางเนนแก้แค้นท่านเอ็ดูเนนป้องเหมือนน้องชายพรุ่งนี้ก็จะจากกันแล้วต้องฝากรักไว้สักหน่อยพระหนุมลนอยู่นานเนนก็ไม่ยอมลืมตาจึงเลื่อนเทียนสูงขึ้นสูงขึ้นจนเปลวเทียนเลียกลางเนนกระนั้นคนที่นั่งขัดสมาธิอยู่ตรงหน้าก็ยังไม่ลืมตา เสียงตะโกนออกมาจากห้องข้างๆว่าหลวงพี่แกล้งเนนนะบาปกรรมนะยิ่งเขากำลังปฏิบัติก็ยิ่งทำให้คนแกล้งบาปหนักขึ้นท่านจึงดับเทียนแล้วเดินเข้าห้องสงสัยนักว่าทำไมเนนน้อยจึงอดทนได้มากมายถึงปานนั้นเข้ามาในห้องแล้วท่านจึงเก็บเครื่องอัฐบริการซึ่งมีจานวนเท่ากับตอนมาใหม่ ที่เพิ่มมากขึ้นคงเป็นพระผงรุ่นหนึ่งของวัดปากน้ำจำนวนสองกำมือนั่นแหละเก็บของเสร็จท่านก็ทำความสะอาดห้องเพื่อคนต่อไปเข้ามาอยู่จะได้ไม่ด่าตามหลังว่าทำห้องสกปรกและะเถอะทิ้งไว้ให้เขาต้องมาเป็นภาระทำความสะอาดห้องเสร็จจึงส่งน้าตั้งใจว่าวันนี้จะนั่งภาวนาเป็นการส่งท้ายเพล่เล อาจจะได้ธรรมกายในวันนี้ก็ได้เมื่อปูอาสนะเรียบร้อยและนั่งลงแล้วก็พอดีกับเนนป้องกำหนดออกจากการภาวนาเนรน้อยรู้สึกแสบแสที่ใต้คางจึงเดินมาหาพระเจริญพูดว่าหลวงพี่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งนั่งช่วยดูคางผมหน่อยทำไมมันแสบแสบร้อนๆ้อนชับกนหรือว่าถูกตัวอะไรมาต่อยตอนที่ผมกำลังนั่งภาวนา เนนน้อยชี้ที่คางตัวเองไม่ใช่หรอกเนนเขาเรียกว่าโรคกรรมนะ่ะพระเจริญบอกโดยไม่ได้ดูก ร, รมอะไรครับเนนป้องสงสยัยก ร, รมสนองน่ะสิหลวงพี่เอาเทียนมาลนคางเนนตั้งใจจะล้อเล่นแต่เห็นนั่งไม่รู้สึกรู้สาก็เลยยกเทียนสูงขึ้นสูงขึ้นจนไฟลามคางเนนนั่นแหละ หลวงพี่ขอโทษด้วยนะนึกว่าเจ้ากันไปท่านใช้ศัพท์ภาษาจีนอย่างนั้นเอง ห, อหรือผมนึกว่าตัวอะไรมันมาต่อยเอาละเป็นอันว่าหายกันแต่ว่าหลวงพี่เพิ่งจะเริ่มปฏิบัติหรือกี่ทุ่มกี่ยามแล้วล่ะเนี่ยคงสักสี่ทุ่มกระมังหลวงพี่เพิ่งนวดให้หลวงพ่อเสร็จเมื่อครู่นี้เองจากนั้นก็มาเก็บข้าวของ พรุ่งนี้หลวงพี่จะกลับสิงห์บุรีแล้วนะจะกลับไปจำพรรษาที่วัดพรมบุรีตามเดิมหรือครับและจะกลับมาอีกรึเปล่าผมคงคิดถึงแย่เลยเพราะไม่มีคนคุยด้วยเนนวัยสิบสองพูดจากใจจริงคิดว่าออกพรรษาจะกลับมาเพราะหลวงพี่ยังไม่ได้ทำรรกายเลยเนนคงได้แล้วกระมังจึงได้ไม่รู้สึกร้อน ตอนหลวงพี่เอาเทียนหล่นคางยังไม่ได้หรอกครับผมให้หลวงพี่ได้ก่อนและผมค่อยดำเนินรอยตามอย่าเอาหลวงพี่เป็นตัวอย่างเลยขอให้ดำเนินรอยตามหลวงพ่อจะดีกว่าหลวงพี่ได้อะไรๆจากท่านไปเยอะเลยนะมีวิชาธรรมกายเท่านั้นที่ยังไม่ได้พระหนุ่มรีบออกตัวหลวงพ่อท่านไปไกลมากแล้วผมคงตามไม่ทัน จริงๆนะครับผมรู้สึกทึ่งมากที่ท่านรู้อะไรๆ ไ, ได้ราวกับเป็นผู้วิเศษอย่างเมื่อวานเนี่ยโยมผู้หญิงคนหนึ่งมาร้องห่มร้องไห้กับท่านบอกว่าผัวเขาหายไปห้าปีแล้วไม่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าให้หลวงพ่อช่วยแผ่เมตตาให้ผัวกลับด้วยหรือถ้าตายแล้วก็ขอให้วิญญาณผัวมาเข้าฝันหลวงพ่อท่านบอกยังไม่ตายหรอก พรุ่งนี้ก็กลับไม่ต้องร้องไห้เงียบซะท่านพูดแค่นี้แล้วหลวงพี่รู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นใครจะไปรู้ก็หลวงพี่ไม่ใช่ผู้วิเศษอย่างหลวงพ่อน่นาะแต่ผมว่าอีกหน่อยหลวงพี่อาจจะเป็นเหมือนที่หลวงพ่อท่านเป็นอยู่ในเวลานี้ก็ได้ผมดูเหงาเห้งแล้วหลวงพี่ต้องเก่งอย่างหลวงพ่อเอาเถอะเอถะถึงเรื่องที่พูด จะไม่จริงแต่เป็นเรื่องดีหลวงพี่ขอรับไว้ด้วยความเต็มใจไหนเล่าเรื่องโยมที่สามีหายต่อสิท่านยังอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับสตรีผู้นั้นเมื่อตอนบ่ายเข้ามาหาหลวงพ่อนาสิ พาผัวมาขอบคุณหลวงพ่อด้วยผัวเขาเล่าว่าถูกโจรลักพาตัวไปอยู่ต่างจังหวัดจะให้เขาเขียนจดหมายมาเรียกค่าถ่ายจากเมียเขาก็ไม่ยอมเขียนโดยอ้างว่าเมียเขาไม่มีเงินมาถ่ายตัวเขาแน่เพราะต้องเลี้ยงลูกตั้งห้าคนถ้าต้องไปหยิบยืมใครมาเขาก็ไม่อยากกลับมาใช้หนี้จึงขอยอมตายดีกว่าที่จะให้ลูกเมียต้องเดือดร้อน จรก็กักตัวไว้แล้วก็ให้ใช้ทํางานอย่างกับทาสกินอดๆ อ, อยากๆพออยู่นานไปจรชักจะเชื่อว่าเขาไม่ยอมให้เมียมาไถ่ตัวแน่ก็เกิดสงสารปล่อยตัวมาแต่ผมว่าเพราะหลวงพ่อแผ่เมตตาให้มากกว่าหรือหลวงพี่ว่ายังไงเนนป้องถามหลวงพี่ก็ไม่รู้จะว่ายังไง หลวงพ่ออาจจะเป็นผู้วิเศษจริงๆก็ได้ดูอย่างเรื่องโยมจากบางนาที่หลวงพี่เป็นคนอ่านให้ฟังโยมเข้ามาขอให้ท่านแผ่เมตตาให้ลูกจะได้ไปรเรียนเมืองนอกและเขาก็ไปส่งทั้งครอบครัวหลวงพ่อท่านบอกรายนี้ช่วยไม่ได้กุศลไม่พอท่านบอกพรุ่งนี้เครื่องบินตกก็พากันตายทั้งครอบครัว ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแบบนี้จะเรียกว่าอย่างไรถ้าไม่ใช่ผู้วิเศษจริงไหมจริงครับเนียนป้องสนองเงียบกันไปครู่หนึ่งพระเจริญถามขึ้นว่าเนียนเคยขอพระท่านไปแจกญาติโยมไหมเคยครับแต่ท่านไม่ให้ท่านบอกว่าคนที่เธอไปแจกนะ่ะเขารู้จักหลวงพ่อสดไหมเขารู้ไม่ว่าหลวงพ่อสดสอนอะไร วัดปากน้ำอยู่ที่ไหนถ้าเขาไม่รู้อย่างเนี้ยแจกไปไม่มีประโยชน์เสียของเปล่าๆท่านว่าอย่างนี้ครับงั้นหรือท่านก็มีเหตุผลของท่านนะเอาละนะหลวงพี่จะขอนั่งภาวนาบ้างละเนนจะนั่งเป็นเพื่อนกับหลวงพี่หรือว่าจะเข้าห้องจำวัดแต่คิดว่าคงจะไม่เอาไฟมาลนคางหลวงพี่นะท่านรีบพูดดักคอไว้ก่อน ผมไม่สร้างกรรมใหม่หรอกครับหลวงพี่จะพยายามใช้กรรมเก่าให้หมดกรรมใหม่ไม่สร้างอีกจะได้ตัดขาดจากวัตฏสงสารเนนวัยส2องพูดจากเกินอายุดีแล้วเนนแม้ถ้าตอนหลวงพี่อายุเท่าเนนแล้วทำอย่างเนนคงดีมากเลยเสียดายที่ประมาทในชีวิตสร้างกรรมทำเข็นไวมาก ไม่รู้ว่าชั่วชีวิตนี้จะใช้หนีก้กรรมหมดหรือเปล่าไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดอีกชีวิตมันทุกข์นเนรนะเป็นพระเป็นเนเนกดทุก์เป็นครือขัดกดทุกเป็นอะไรกดทุกทั้งนั้นหลวงพี่พูดปลงๆพรุ่งนี้หลวงพี่จะไปยังไงครับเนนป้องเปลี่ยนเรื่องด้วยไม่อยากให้จิตใจหดหูเศร้าหมองหลวงพี่ว่าจะไปขึ้นเรือเมที่ท่าเตียน เรือพงประจั์ขามาหลงพี่มาระโยงเหม็นขี้ไก่แทบแย่ต้องนอนดมขี้ไก่ยอยู่หนึ่งวันกับหนึ่งคืนจึงถึงท่าเตียนพระหนุ่มยังรู้สึกเหมือนกบว่ากลิ่นนั้นมันวนเวียนอยู่แถวแถวปลายจมูกถ้าฉะนั้นผมจะนั่งเป็นเพื่อหลวงพี่นะครับจะนั่งกี่ชั่วโมงดีเนนน้อยถาม นั่งไปจนถึงสองยามดีไม้มพอได้ยินเสียงเคาะกรอบบอกเวลาค่อยออกพระนมเป็นคนเสนอตกลงครับแต่ผมไม่ได้ยินหรอกนะครับเพราะเวลาที่นั่งจิตมันจะดิ่งลึกลงไปไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นก็หลวงพี่เอาเทียนมาลนผมยังไม่รู้เลยเนยนป้องเล่าประสบการณ์การปฏิบัติของตนอย่างนั้นหรือ แสดงว่าจิตเนนแน่วแน่ถึงขั้นชาญแล้วพระหนุ่มวิจัยท่านไม่บอกว่าตัวท่านเองก็เคยได้ชานสมัยอยู่กับหลวงพ่อเดิมแต่เพราะไม่ได้รักษาองค์ชานไว้ชานจึงเสือ่อมคงเป็นอย่างนั้นกระมังครับเพราะเวลาผมนั่งก็กาหนดในใจว่าจะออกเวลาเท่าไรพอถึงเวลากาหนดก็จะรู้สึกตัวถ้าเช่นนั้นลงมือปฏิบัติกันเถอะจะได้ไม่เสียเวลา ตกลงกันดังนี้แล้วพระหนึ่งองค์กับเนนหนึ่งรูปจึงพากันนั่งภาวนาด้วยการกําหนดสัมมาอารหังอยู่ที่หน้าห้องของตนชั้นพระทหารเช้าเสร็จแล้วพระเจริญจึงไปกล่าบลาหลวงพ่อสดอีกครั้ง จากนั้นจึงลงเรือเพื่อไปต่อรถเมคขาที่ตลาดพลูเนนป้องมาส่งถึงท่าน้ำพระเจริญหยิบปัจจัยออกมาจากย่ามหนึ่งช่างมอบให้เนนไว้ใช้ในยามจำเป็นท่านเข้าใจความเป็นอยู่ของเนนว่าค่อนข้างอัตคัดขัดสนเพราะญาติโยมส่วนใหญ่มักจะทำบุญแต่กับพระพระจึงมีความเป็นอยู่ดีกว่าเนนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขบชัน หรือปัจจัยสำหรับใช้สอยพระบางรูปถึงกับมีเหลือเฟือจนกลายเป็นความฟุ่มเฟือยและนำไปใช้ในทางที่ทำให้เกิดอาบัตโทษไม่สมควรกับสมณะเพศเช่นนำไปออกเงินกู้นำไปซื้อสลากกินแบ่งเพราะหวังรวยบางรูปก็นำไปซื้อของกำนันไว้แจกพวกสีกาสาวๆเลยประพฤติผิดวินัยกันยกใหญ่ ในที่สุดก็ต้องศึกหาลาเพศออกไปมีครอบครัวส่วนพวกที่ไม่ยอมศึกก็ทำให้สมณะเพศต้องมัวหมอ ง, ท, งทั้งทั้งที่กรองผ้าเหลืองเรือแล่นมาถึงตลาดพลูพระเจริญขึ้นจากเรือเดินมาที่ท่ารถเมขาวของบริษัทในเลิศรถเมยกำลังจะออกท่านจึงรีบขึ้นแต่ก็ไม่สามารถหาที่นั่งได้ด้วยว่าคนนั่งกันเต็ม ครั้นจะลงไปรอขึ้นคันใหม่ก็เกรงว่าจะไม่ทานเรือเมไม่เป็นไรยืนก็ได้เดี๋ยวคงจะมีญาติโยมใจบุญ ล, ลุกให้นั่งรอกนาท่านปลอบใจตัวเองรถเมออกจากท่าแล่นไปตามถนนซึ่งค่อนข้างครุขระพระหนุ่มสะพายย่ามไว้บนบามือหนึ่งโหนรถเมอีกมือหนึ่งหิ้วลังกระดาษบรรจุเครื่องอัฐิบริการ พอรถเมล์แล่นมาถึงวงเวียนใหญ่คนขึ้นกันจนแน่นรถอย่าว่าแต่จะหาที่นั่งแม้ที่จะยืนก็หาแทบไม่ได้เสียงกระเป๋ารถที่อยู่หน้าตะโกนบอกผู้โดยสารให้ถอยเข้าไปข้างหลังกระเป๋ารถที่อยู่ข้างหลังตะโกนบอกผู้โดยสารร่นขึ้นไปข้างหน้าจึงคนถูกบอกไม่รู้จะปฏิบัติตามอย่างไรถูก พระเจริญรู้สึกเมื่อยจึงเปลี่ยนมือข้างที่หิ้วลังมาโหนรถเมยส่วนมือที่โหนรถเมยอยู่เดิมก็เปลี่ยนมาหิ้วลังสัพเปลี่ยนอยู่อย่างนี้ไหนจะระวังตนไม่ให้ไปถูกกับสีกาอีกพวกคนที่นั่งก็ใจร้ายใจดำจะลุกให้พระสงฆ์องค์เจ้านั่งบ้างก็ไม่ได้ท่านนึกตำหนิโู้ใดาสารที่นั่งพวกที่ยืนก็ช่างกระไร จะช่วยเราหิวบ้างก็ไม่ได้ตำหนิคนนั่งแล้วก็ตำหนิคนยืนรถวิ่งมาถึงวงเวียนเล็กก็เป็นเวลาเดียวกับที่สะพานพุทธเปิดรถที่จะข้ามไปฝั่งพระนครจึงต้องจอดรอเช่นเดียวกับรถจากฝั่งพระนครที่จะข้ามมาฝั่งธนบุรีทุกๆนาทีดูเหมือนผ่านไปอย่างเชื่องช้าคนที่นั่งรู้สึกเบื่อ จึงพากันหลับเสียส่วนมากคนที่ยืนไม่มีสิทธิ์หลับโดยเฉพาะพระพุทธสุที่หิว้วลังมือหนึง่งโหนราวรถเมยอีกมือหนึง่งท่านรู้สึกอึดอัดร้อนและกระหายน้ำขาทั้งสองแข็ ง, งเกร็งราวกับท่อนไม้หนึ่งชั่วโมงผ่านไปท่านถึงกับขาสั่นพับๆโดยเมื่อยเสียจนแทบจะทนไม่ไหวไหนจะกังวล ว่าจะไม่ทันเรือเมย อ, อีกเล่วช่วงวิกฤตนั้นท่านนึกถึงหลวงพ่อสดหลวงพ่อช่วยลูกด้วยจะทนไม่ไหวแล้วครับภิกษุหนุ่มไม่รู้ที่จะทำอะไรให้ดีไปกว่านั้นจึงยืนกำหนดสัมมาอราหังไปเรื่อยๆสภานปิดหลังจากที่เปิดให้เรือสินค้าขนาดใหญ่แล่นผ่านไปแล้วรถราก็ติดกันเป็นแถวยาวเหยียด เริ่มเคลื่อนตัวอย่างช้าๆพระเจริญยังไม่ยอมหยุดกำหนดสัมมาอารหังและดูเหมือนว่าความทรมานทั้งหลายค่อยเปล่าลงเมื่อรถแล่นมาถึงกลางสะพานเป็นเวลาเดียวกับที่จิตของท่านตั้งมั่นเป็นสมาธิจากนั้นก็รู้สึกเย็นว่าไปทั่วสารพางแสงสว่างสวัยปรากฏขึ้นในมโนนึก แล้วท่านก็เห็นตัวเองเดินอยู่ฝั่งพระนครถือลังไว้ด้วยมือขวาแสงสว่างจ้าจับอยู่รอบๆตัวเอ๊ะนั่นตัวเรานี่นาทําไมถึงเดินอยู่ฝั่งโน้นได้ท่านก็สงสยัยผู้ชายคนหนึ่งยยนอยู่ข้างๆท่านและท่านก็รู้ด้วยว่าจิตว่าเขาเป็นคนสิงบุรีกําลังจะไปขึ้นเรือเมพงประจักษ์ ที่ท่าเตียนเหมือนกับท่านภิกษุวยยี่ห้ามองร่างของท่านที่มีแสงสว่างสวัยพุ่งออกมาจากกายและบอกตัวเองว่าอ้อนี่เราสําเร็จธรรมกายแล้วหรือนี่โธ่เอ้ยมาได้บนรถเมล์นี่เองท่านนึกอย่างยินดีท่านใดนั้นผู้คนที่นั่งเก้าอี้มองมาเห็นท่านยืนจึงต่างแย่งกันลุกให้ท่านนั่ง นิมน์พระคุณเจ้านั่งครับนิมนต์ไม่เป็นไรใจโยมขอบคุณอาตมาจะลงท่าเตียนนี่เองจนถึงแล้วท่านบอกพวกเขาพลางนึกในใจว่าแหมปล่อยให้เรายืนเป็นชั่วโมงจนขาแข็งพอเห็นเราได้ธรรมกายรีบลุกให้นั่งกันใหญ่เชียวจ้างก็ไม่นั่งเมินสชาติหนึง่งพระหนุ่มถือโอกาสเล่นตัวนานนักหนาแล้ว ที่ไม่ได้ทำอย่างนี้